อันสาตุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิพิษุสมณีทั้งหลา ย, ลนานนนลายในตอนนี้ก็มาฟังเรื่องราวของบรรนำภาษามาวดีตอนโคศกต่อไปเมื่อตอนก่อนนี้ผมก็มายั่งไว้ตอนที่โคศกจะถูกใช้ไปให้ในสมิงข่าขอย้อนอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อท่านเศรษฐีต้องการให้ ไอช่างม่อฆ่าโคศกแต่กลายเป็นลูกชายของท่านต้องถูกฆ่าแทนความช้ำใจเมื่เกิดขึ้นอย่างหนักไม่อยากจะมองหน้าโคศกลูกรักที่แสงเกลียดที่พูดอย่างนี้พ่อะอะไรเพราะว่าท่านบอกว่าท่านรักแต่ใจที้งเกลียดแสงเกลียดรวมความว่าต้องกหาวใหม่ใหม่ต้องฆ่าไอเจ้าเด็กคนนี้ให้ได้ ก็คิดกันมันได้ว่าเรามีบ้านสวยสําหรับเก็บสวยอยู่ร้อยร้อยบ้านคือว่าตามธรรมดาเศรษฐีนี่พระราชาจะต้องตั้งคนที่มีทรัพย์ตั้งแต่สี่สิบโกขึ้นไปท่านตั้งให้เป็นอนุเศรษฐีคนที่มีทรัพย์ตั้งแต่แปดสิบโกขึ้นไปให้ตั้งตั้งให้เป็นมหาเศรษฐี การตั้งตำแหน่งเศรษฐีเ็จะต้องมีบ้านสวยมีค้าทาสจริงชายช่างม้าวัวควายให้แล้วก็มีฉัดสามชั้นประจำตำแหน่งแล้วก็เศรษฐีรับการแต่งตั้งนั้นแล้วก็จะมีโอกาสเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับคุ้นางผู้ใหญ่คือเสนาบดีเอ็นอันว่าท่านเศรษฐีคนนี้ท่านอยู่ในตำแหน่งอนุเศรษฐีเพราะตอนที่ท่านตาย จะไม่ถึงนะตอนที่ท่านตายจริงๆท่านเหลือเงินสี่สิบโกดแต่ว่าในตอนนั้นจะมีถึงแปดสิบโกดเพราะป่าไม่ทราบตอนแรกถ้าม่ได้บอกท่านเรียกเศรษฐีเฉยไม่เรียกมหาเศรษฐีก็คงอยู่ในเกณฑ์อนุเศรษฐีท่านเศรษฐีคิดว่าเราจะต้องให้ในายสมียนคลเจ็บสวยจัด ก, การค่าเจ้าหนี้ใช้ได้ ยังได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งในรูปเดียวกันว่าเจ้าเด็กคนนี้มันเป็นลูกชายของเราแต่เป็นลูกชาย<ม>ที่เลวที่สุด์ไม่คิดฆ่าฉันอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเจ้าเด็กคนถือจดหมายนี้มาถึงเจ้าจุนจัด ก, การฆ่า<ม>แล้วก็ทิ้งมันในหลุมส้วมหมกบนหลุมส้วมเลยแล้วก็ห่อช้ผ้าไอโคศกเดินทางต่อไปกันเรียกคนศกมาว่าพ่อลูกละ บ้านสวยที่ของพ่อมีอยู่ในตำบลโน้นมันไกลหน่อยเจ <c oughs> ้าจงนำจดหมายนี่ให้คนเก็บสวยได้รอให้เขาปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อให้เรียบร้อยแล้วนำข่าวมาบอกพ่อข้อศกก็บอกว่าคุณพ่อครับตำบลที่จะไปมันไกลผมก็ไม่มีสเสบียงเดินทางเลยจะมีต้องอาหารไปกินตามทางบ้างอ้อต้องค้างคืน ท่านเรษฐก็บอกว่าไม่ต้องออไปหรอกลูกคิอว่าพ่อจะมีเพื่อนเป็นเศรษฐีอยู่ระหว่างกลางทางในบ้านในทางที่จะผ่านไปนี่มีบ้านเศรษฐีอยู่หลังหนึ่งเป็นเพื่อนกันเจ้าจมไปแวะรับทานอาหารที่นั่นหลังจากนั่งก็เดินทางไปบ้านสวยไปหาในสมียนที่เก็บสวยรวมความแล้วโคศก ก็เลยไม่มีอาหารไปกินก็เดินทางไปถึงบ้านเศรษฐีนั้นไปก็ถามเขาถึงทั้งบนนั้นก็ถามว่าบ้านท่านเศรษฐีอยู่ที่ไหนเมื่อเขาแจ้งแล้วก็เข้าไปในบ้านนั้นไปพบพัญญาของท่านเศรษฐีพัญญาท่านเศรษฐีได้ถามว่าเธอเป็นใครมาทุระอะไรข้อศอกก็บอกว่าผมเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองครับบอกชื่อพ่อ แล้วบาลีก็ไม่บอกว่าพ่อชื่อไรเหมือนกันผมก็เลยบอกพวกคุณไม่ได้ว่าเทติวนี้ชื่อไรคือพ่อเลียงน้โคศกเนะี่ยผมก็จำไม่ได้เขาไม่พ่อม่ได้เขียนไว้แต่คืนเดามันก็จะเก่งเกินไป <c oughs> พอปัญญาของท่านเฉทีทราบเห็นหน้าโคศกเขาก็เกิดความรักใคร่กับลกูก มีความรู้สึกว่าเหมือนกับโคศกนี่เป็นลกูกแต่ความจริงท่านมีลูกสาวนะวันนี้วันนี้มีลูกสาวแล้วก็สวยซะด้วยอายุสิบห้ายกหยกสิบหกย่อนหย่อนทางนี้ก็เพราะว่าท่านเขียนว่าสิบห้าแล้วก็กี่สิบหกคือว่าเกินสิบห้านิดยังไม่ทันถึงสิบหกยังไม่เต็มสิบหกเรียกว่ากำลังสาวเริ่มน่ารัก กลังยังงามขึ้นตามลำดับเรียกว่าพัญญาของท่านเศรษฐีคงไม่คิดอะไรมากคิดแต่เพียงว่าเด็กคนนี้น่ารักจริงๆแล้วก็เป็นตระกูลเดียวกับเสมอกับเปล่าเป็นลูกของเศรษฐีเหมือนกันในเมืองซึ่งเป็นเพื่อนกับพ่อบ้านจึงได้จัดแจงให้พักเวลานั้นก็เป็นเวลาที่พอดีที่ลูกสาว ข, ของเศรษฐีบ้านนั้น ตามธรรมดาเศรษฐีเขาต้องปลูกบ้านจิตชั้นถ้ามีโรคสาวก็โยชั้นจิตเก็บไว้อย่างดีที่สุดจะยุงให้กินลิ้นไม่เหตสายไม่เหตตอมเจ้ว่าปัญดาท่านผู้ฟังเก็บวัตถุเขาเก็บได้ถ้าเก็บใจคนนั้นไม่เก็บไม่ได้ เก็บใจคนเก็บเป็นได้ใจคนมีคำสั่งสั่งอะไรขาเดินมามม น, นั้นสั่งอะไรมือจับมานั้นสั่งอะไรปากพูดมานั้นดีไม่ดีต่างแต่ใจสั่งให้ตามองตาก็มองอีกใจสั่งให้หูฟังหูก็ฟังอีก่อรวมความว่าเก็บได้แต่กายแต่กายก็เก็บจริงๆไม่ได้เหมือนกันเป็นนั้นว่าใเวลานั้นเป็นเวลาพอดี ยีลูกถาวก็เศรษฐีที่อยู่บนประบ้านชั้นที่เจ็ดมีธุระคือว่าเขาให้หญิงรับใช้ไว้คนหนึ่งคือว่าหญิงคนไหนที่ชอบใจไปรับใช้คล่องตัวเธอชอบเขาให้ไว้ประจำเธอก็กำลังจะสั่งให้หญิงคนใช้เนี่ไปซื้อของที่ตลาดหญิงผู้รับใช้ลงมาจากข้างบนเมื่อลงมาแล้ว ก็เป็นการพอดีที่แม่ของเธอแล้วบอกเมียข้าท่านท่านเศรษฐีอ่ะกำลังจะใช้ให้จัดการห้องให้แก่โคศกถ้าหาคนที่คล่องไม่ได้แม่หญิงคนนี้มาก็เป็นการพอดีจริงๆยังเรียกพ่อแม่หญิงรับใช้ลูกสาวให้จัดห้องให้โคศกให้ปูที่นอนให้ปูตังปูเตียงปูอุปกรณจัดให้เรียบร้อยอันน้ำ มันมาทาเท้าให้จัดอาหารให้เสร็จแล้วก็บรรโลงศพเดินมาเหนื่อยอ่อนเมื่อกินอาหารเสร็จที่รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีก็นอนหลับหญิงรับใช้ก็นั้นก็ไปตลาดตามคำสั่งของเจ้านายได้ของตามที่เจ้านายต้องการแล้วก็เดินกลับมาพอกลับมาขึ้นไปข้างบนเจ้านายคอยนอนเกินไปเพราะตลาดมันไม่ไกล เว่านานผิดปกติไม่ควรจะกลับมาถึงนานแล้วก็ดูหาว่าเธอทะเลทลหยเธอก็รายงานว่าพระแม่เจ้าฉันไม่จะทลายไปไหนการที่ลงไปเขานั้นนะลงไปแล้วแทนที่ไปหลัดพระแม่เจ้าของพระแม่หมายความแม่แม่คนไหนสั่งให้ใจัายการห้องตั้งเตียงปูที่นอน หมอนมุ้งเสร็จให้ทาเท้าด้วยน้ำมันจัดอาหารมาเลี่ยงมีชายหนุ่มคนหนึ่งมีนามว่าโคศกเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองซึ่งไปเพื่อนกับที่บ้านนี้เดินทางมาพอดีานายผู้ใหญ่ใช้ก็จะต้องทำเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปตลาดมันก็นานไปหน่อยเจ้าค่ะตอนนี้บรรดาท่านผู้ถบริษัท ที่ตามตำราโบราณว่าเนื้อคู่หนังคู่อยู่ก็ทราบแล้วทนอยู่ไม่ไหวกำลังใจของหญิงสาวจองเป็นลูกเศรษฐีบ้านนี้ตามพระบาลีจะบอกว่าเป็นพัญญาเดิมของโคศกสมัยที่เป็นโกตุฮริกะในสมัยนั้นเมื่อโกตุฮริกะตายจากความเป็นคนแล้วท่านเศรษฐีได้มอบข้อสารให้เธอหนึ่งลิต เธอจได้แกดการหงต้มถวายแด่พระประเจ้พระพุทธเจา้าและอยู่เป็นผู้รับใช้ท่านสิในในโคอันเศรษฐีบ้านนั้นต่อมาก็ได้มีโอกาสปฏิบัติพระเ จ, พจาพระพุทธเจ้าบ้างไหวพระประเ จ, พจาพระพุทธเจ้าบ้างตามสมควรอาศัยบุญอย่างนี้เมื่อเธอตาจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นดางฟ้าบนสวรรค์ชั้ น, นดาวดึงสถีวโลก หลังจากนั้นลงมาจากสวรรค์ชั้นเ ด, ดิงก็มาเกิดเป็นลูกของอนุสถีบ้านนี้ดังพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอาศัยที่เคยเป็นสามีปัญญากรมาก่อนเยื่อใยแห่งความรักมันก็เกิดขึ้นเป็นบาป พ, พอยินชื่อคำว่าโคศกเทนั้นแหละความรักทะลุดหนังเข้าไปยันกระดูกเกิดเสียวใจขึ้นบาทีความรักเกิดขึ้นมา ความรักมันรักจริงๆเลยทั้งๆทีๆท่เห็นชื่อความรักมันดึงตับเข้าไปถึง ใ, ใจทนไม่ไหวทุรนทุรายทนไม่ไหวต้องการจะไปเห็นโคศกที่โคโคศกหนุ่มชายหนุ่มเระพุทธเจ้าถึงบอกว่าไอ้ความรักจะไมีเกิดด้วยเหตุสองประการหนึ่งปุพเพสนิวาทคนที่เคยเป็นสามีพัญยากันมาในชาติก่อน เพียงแค่ได้ยินชื่อกันเท่านั้นทนไม่ไหวสองการเกื้อกูลกันในปัจจุบันไม่เคยเป็นสามีปัญญากรรมในการก่อนแต่ชาติใหม่นี้มึงสงเคราะห์กูกูสงเคราะห์มึงยื่นโยนกันไปยื่นโยนกันมาต่างคนต่างช่วยกันเห็นอกเห็นใจรักได้แต่งงานกันได้ป็นบอกว่าเหมือนต้นดอกบัวกระเปื้องรมที่อาศัยกันฉันนั้น โรงความว่าลูกสาวเศรษฐีคนนี้เป็นพญญาเก่าขอมาก่อนความรักก็แน่นขึมาในใจเลยคิดสงสัยอยากจะไปดูหน้าก็ทราบข่าวว่าเวลาด้านโคลศกกำลังหลับก็จึงย่องย่องแอบลงไปไม่ไม่ให้มันได้เห็นบอกแล้วไหมละ่ะว่ากักอะไรก็กักได้กัก ก, กัตงถูกกัได้กักคนนี่ไม่สำเร็จ ยากยารยจการคนนี้ไม่สาเร็จเป็นอันว่าเธอลงไปเข้าไปในห้องก็ไปมองดูโคศกแค่นึกถึงได้ยินชื่อรักเธอเมแย่แล้วเห็นตัวเข้าก็เกิดความรักหนักขึ้นเพราะสายบุญเก่าเนี่ยคนที่เป็นสามีปัญญาการต้องพัดแบบนี้เพราะกำลังบุญมาเสมอกันโคศกทิ้งลูกเธอทุกสารลูก โคศกเมนึกถึงสุนัขเป็นรูปสุนัขเธอนึกถึงพระปเจ้าพระเจ้าตายได้เป็นเทวดาแล้วโครศกก็ทำในฐานะในฐานะที่มีความรักในพระปเจ้าพระเจ้าเห่าหอนป้องกันอนตรายก็ไปเป็นเทวดาอตอนเป็นเทวดาเป็นนางพรานาเจ ก, กันนะเปล่าก็ไม่ทราบเรื่อ <c oughs> ความว่าเธอเขาเข้าไปในห้องเห็น <c oughs> โคศก ใจก ว, วาดวิวตามสภาพของสตรีที่มีความรักแเรื่องกำลังใจของสตรีที่มีความรักเขาจะมีความรู้สึกยังางตมาไม่ทราบเดาไม่ได้ไม่อยากจะบรรยายเรื่องนี้แต่ว่ารักหนักนั่งข้ามาก็แล้วกันมองไปมองมาเห็นเห็นผ้าขระหมดชายผ้าอยู่ห่อหังสือ <c oughs> พอไ่นก็หลับริงแก้ดูแก้ดูแล้วก็นำมาในห้องปิดห้องปิดประตูหน้ตาต่างหมดอ่านจดหมายพออ่านเสร็จก็ตกใจพ่าแม้พ่อนี่โง่จริงๆทำไมเอาถือจดหมายฆ่าตัวเองมาได้อันตรายมากอีตอนนี้ไม่ใช่ราสีแปลงศารนะสิลายเป็นสาวแปลงศารไปแล้ว ลูกสาวเศรษฐีแปลงสารเสร็จทำยังไงถธอก็เขียนใหม่เรื่อต้นวันนายสมียนโคศกนี่เป็นลูกชายหปีคนที่รักของฉันฉันมีความประสงค์อยากให้โคศกลูกของฉันจัด ก, การแต่งงานกับลูกสาว็้านุสเศร่ฐีเสม้เพื่อนกันในชนบทเป็นทางที่ผ่านมาที่นี่ แช่นั้นถักว่าเมื่อโคศกลูกชายของฉันมาที่นี่เธอจนจัด ก, การปลูกเรือนหอสมัยก่อนเขาต้องมีเรือนหอจา ก, การหาไม้มาปลูกเรือนหอบอกบุญแหม่แจ้งกับบรรดาชาวบ้านหนึ่งร้อยหลังที่เป็นข้าบดีข้าบดีนี่มีทรัพย์ต่ำกัาแปดสิบต0กวาสี่สิบกดก็รวยมาก แจ้งข่าว ก, กระบาดข่าวพอดีทั้งหลายว่าลูกชายฉันคนนี้ฉันรักมากต้องการให้แต่งงานกับลูกสาวข้าท่านนุสเศรษฐีเธอจึงจัด ก, การปลูกเรือนหอให้ดีในถ้ำกลางระหว่างบ้านและจัดเวรจัดยามรักษาไว้ย่าให้ใครเข้าไปรบกวนย้ายไข่ทำอันตรายอันตรายเป็นขาดเมื่อจัด ก, การแต่งงานเรียบร้อยแล้วเมื่อะไรให้ส่งข่าวให้เราทราบ เราจะให้ดังวัลกับเจ้าเป็นกรณีพิเศษคราวนี้ดางวัลหนักมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะลูกชายของเราเป็นลูกชายคนเดียวลูกชายคนรองที่สมรมา ก, ก็ตายแล้วเราเหลือลูกชายที่รักคนเดียวเท่านั้นช่วยจการให้ด้วยไอ้ฉันจะไปจการเองมมนก็อยู่ไกลเธออยู่ใกล้ช่วยจการให้ตามความประสงค์แล้วก็ลงชื่อท่านเศรษฐีชื่ออะไรก็ไม่ทราบ ในวันนางเขียนจดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วสาวแปลงสารเสร็จก็นำไปห่อไว้ตามเดิมแล้วโคศ ก, กเธอก็ขึ้นเช่นบนแปลว่าโคศกไม่ได้ย่นโฉมของนางเลยไม่รู้ว่าเธอสวยหรือไม่สวยรู้หรือเปล่าก็ไม่ทราบลูกสาว บ, บ้านนั้นเขาไม่ลูกสาวอาจจะไม่ทราบก็ได้เมื่อตื่นขึ้นแล้วในวันรุ่งขึ้นรับทานอาหารเสร็จก็ลาพ่อบ้านแม่บ้าน แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ลาลูกสาวบ้านเพราะเธออยู่ชั้นบนแต่ลูกสาวบ้านใจอาจจะมีการดิ่งรนอยากไม่คิด จ, จะให้หนุ่มไปก็ได้แต่ก็ลังใจก็มีความหมายวาคราวนี้เราได้แต่งงานกันแน่เธอก็ถือจดหมายไปถึงนายสมียนนายสมิญอ่านนังเสียแล้วก็ดีใจว่าท่านมหาเศรษฐีไว้วางใจเราถึงขนาดนี้ ต้องการให้เราเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายลูกชายจัดการปลูกเรือนหอและแต่งงานให้จึงนําจุดหมายประกาศให้บรรดาบ้านกาบดีทั้งหลายทราบว่า น, นี่าาธรามาสถีไว้วางใจเราถึงขนาดนี้ท่านเป็นพ่อเองสิกลับไม่จัดการให้เราจัดการแต่งงานลูกสาวแทนความใหญ่โตเป็นแบบนี้ จึงได้เก่งกันหาไม้มาปลูกบ้านให้ให้โคศกอยู่ความจริงบ้านโลกเศรษฐีเนะี่ยมันเล็กไม่ได้มันต้องใหญ่มีอาคารบ้านเหลืองเป็นเรือนเป็นที่อาศัยอาคารเป็นที่พักของคนรับใช้อาคารสาหรับรับแขกมีครัวมีครังมันต้องพร้อมสรร์ <c oughs> แต่ว่าคนทั้งหมดก็มีความจงรักภักดีกับท่านเศรษฐี โดยพอะอย่างยิงจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายสําคัญที่ยกย่องพวกเขาให้เป็นผู้ใหญ่เขาก็เลยเต็มใจช่วยเมื่อทํางานเสร็จจัดดูบ้านเสร็จเทียบร้อยแล้วก็จ่ายคนระวังระวังรังรกษาโศกในกระบายความตั้งยามตามไฟเลยใครจะเข้าใคจะออกไม่ได้จําเป็นจะต้องได้รับอนุญาตก่อนต้องระวังลูกชายคนไหนนี่ ถ้าตายไปแล้วถูกคุณทำร้ายขึ้นกับมันก็จะยุ่งถ้ารวมความว่าเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดการไปขอลูกสาวของสศรษีที่ผ่านมาทางบ้านดั้งเขามีลูกสาวแต่ว่าขาดลูกชายแล้วขาดลูกเขยแต่ว่าทั้งทั้งนี้ก็เพราะลูกสาวมีความต้องการอยู่แล้วเพื่อมาคู่กันเดิมการขัดข้องในการแต่งงานมันก็ไม่มี พอไปขอเขาเขาก็ตกลงทันทีพราะเศรษฐีเป็นเพื่อนกันฐานะเป็นเพื่อนกันเนี่ยให้ซะเลยดีกว่านั่นเมื่อลูกสาวพอใจถ้าขืนไม่ให้ดีไม่ไดีที่ห่อไปตามแบบวิบาคนทันมันจะยุ่งใหญ่จะใครหน้าชาวบ้านกลงความแม่การแต่งงานเสร็จเขาก็นําลูกสาวมาไว้ที่บ้านของโคโศกที่บ้านสวยร้อยหลัง หลังจากนั้นแล้วพัญญาที่รักว่าเป็นพัญญาช่ายก่อนแล้วก็มาเป็นพัญญาชาตนี้รู้เรื่องราวดีว่าพ่อต้องการจะฆ่าสามียังได้สั่งนสมิทว่าแล้วก็สั่งยามว่าถ้าบุคคลผู้ใดจะมาหาท่านเศรษฐีท่านลูกชายท่านเศรษฐีแล้วใส่จงยาพึ่งให้เข้าไปพบก่อนให้มาพบแขนก่อน ว่าฉันอยู่ในตำแหน่งเล ข, ขานุการนิจะปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรให้พบท่านโคศกเมื่อไร่เป็นหน้าที่ของฉันแต่ว่าทุกคนที่มาในจงยา่าเรียกว่าจงาใหยายข้าพบก่อนให้พบฉันทุกคนรกรุงควาวันหน้ า, นาบนเทสารในบ่ายเป็นการป้องกันสามีเพราะคิดว่ายังไงก็ดีท่านเศลษฐีผู้เป็นบิดาใจร้าย ที่ตั้งใจจะฆ่าสามีของเธอตายเมื่อทราบว่ายังไม่ตายเขาจะต้องหาคนมาฆ่าให้ได้เี่่ะป้องกันไว้อารา บ, บันดาท่านพุทธ ว, วิษัต์ทั้งหลายเอากันแค่ป้องกันตั้งรั้วรอบขอบคิดคนสนิทือเลขานทุกค น, นี้ได้แก่ปัญญามีหน้าที่ในการป้องกันสามีของจริงสตรีนิชลาดมาก ใครเขาว่าผู้หญิงโง่ไม่จริงเวลานี้ผู้หญิงเป็นนายกรัฐมนตรีเยอะแยะเป็นประธานาธิบดีมีแล้วไม่ก็ไม่ทราบเธอก็เป็นได้ทุกอย่างเพราะความสามารถยิ่งในการปฏิบัติธรรมบรรดาเจ้าพุทธบริษัททุกท่านเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงกับผู้ชายถ้ามาด้วยกันก็มีอยู่รายเดียวเท่านั้นที่ผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายได้ก่อน นอกนั้นถ้ามาด้วยการนำผู้หญิงเขาไปกินก่อนเราจะเห็นความสามารถของผู้หญิงว่าพิเศษวิโสขนาดไหนความฉลาดการตัดสินใจของเธอนแน่นนอนอันนี้พูดอย่างนี้มาแล้าใจผู้หญิงนะความจริงเป็นอย่างนั้น <c oughs> แล้วก็ต้องมาหยุดจนแค่นี้ก่อนเพราะเวลาเหลือสามนาทีตอนนี้ก็มานั่งคุยกันว่าบุญกรรมที่ทํากันไว้ร่วมกัน การแต่งงานบรรดาท่านผู้บริษัทองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโชกภาคมาด้ทรงตมิเคยพบคนบางคนพูดให้คนที่เข้าไปเจริญสมาธิรามทานมิปเสนากรมทานเมื่อกลับมาแต่งงานก็มาปินทายกันว่าแม้มันไปเจริญมิปัสนาทำท่าเหมือนจะไิพ่านด้านกลับมาแต่งงานเสียได้การตัดสิน ความหมายอย่างนี้ผิดบรรดาย่าโยมพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระสทรงธวัติโสภาคไม่เคยตําหนิตีเทียนไขในเรื่องการแต่งงานแล้วก็ไม่เคยห้ามสาวกของท่านที่เป็นครวัตแต่งงานเลยอย่างนายวิสาแต่งงานท่านก็ไปในงานนีหลายคนที่แต่งงานท่านก็ไปในงานข้นิมนต์เพื่อความมงคลท่านก็ไป แต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายฟังมารับเรื่องราวมันน่าเศร้าใจคนที่คิดว่าทุจร้ายกันอย่างนี้เราก็มีญาติมาเองก็มีเวลานี้ที่พูดนี่ก็มีอาการอย่างเดียวกันกับท่านโคศกนะอาจารย์อาตมานะท่านทั้งหลายมีความจงรักภักดีกันเยอะยๆแต่ว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คิดรปราดปร์หันอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องน่าแปลก อาตมาก็ไม่เคยทําร้ายกับใครมุ่งหวังแต่ทาดีเอกล่าวกับไปที่อาจจะมีกรรมอย่างโกรศกก็ได้อย่าไปโกรธเขาเลยต้ร้งความในเมื่อโลกนี้มันเป็นทุกข์ถ้าเราเกิดมาในโลกนี้กี่ชาติมันจะหาความสุขถ้าไม่มีอีกแล้วแม้พระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่มีความสุขว่ากันตามชาวโลกนะ มีคนเขดาด่ามีคนขเขาเล่นทามีคนกเ่าแกล้งเสมอแต่ว่าใจของพระเจ้าไม่ทุกเพราะท่านเป็นจอมอรหันต์หรือวันดาพระารานั้งหลายท่านก็ไม่ทุกยังสําหรับพวกเรามันยังสุขไม่จริงเลยได้กําลังใจฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนพิสุสมณีนนทั้งหลายได้ญาติโยมพระตบริษท เราพยายามสแสวงหาความสุขในการปฏิบัติเข้าขอบเขตของพระนิพพานยังไปนิพพานไม่ได้เขาเข้าขอบเขตไว้ก่อนคือยึดยุดอารมณ์ต้นทําลายสังโยชนิาาการต้นเสียก่อนคือหนึ่งส ก, กายยะทิฐิทําลายด้วยความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันต้องตายยังไงก็ตายแน่สองวิจิตรฉา อีกยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาไในได้ความดีของท่านสีสิรละสามศิลปตประทับปราปรมาตยรักษาศีลให้เครื่องครัดอย่าบกพร่องในศีลพ <c oughs> ระเดนต้องเป็นศีลของท่นานพำหรับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทท่านศีลห้าใช้ได้และกาลังใจของเราหวังไว้เสมอใครจะหาว่าบ้าบ้าบมบมก็ช่า ง, า ง, างเถอะเราบ้าเพื่อแสวงหาความสุข คิดไว้เสมอว่ามนุษย์โลกไม่เป็นสุขมีแต่ความทุกข์เทวโลกกับพรทมโลกมีสุขทั่วคราวไม่มีความหมายหมดมนุษส์นามบารมีก็ลงมาใหม่คิดว่าถ้าร่างกายของเรามันตายคราวนี้เราจะไม่เกิดเป็นมนุษย์เราจะไม่เกิดเป็นธร้าบันดาเราจะไม่เกิดเป็นพรหมจุดที่เรานิยมจริงๆคือนิพพานให้กําลังใจข้าพเจ้าท่านพุทธบริษัทคิดอย่างนี้เราทําได้ องค์สมเด็จไปจอมไตรทรงเถิดว่าถ้าตายจากความเป็นคนการจะไปเกิดเป็นสัตว์นกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉันไม่มีอีกต่อไปบาปกรรมทั้งหลายที่ทำไว้ไม่มีโอกาสให้ผลมีอย่างเดียวคือกำลังใจของตนมุ่งเดินใกล้เข้าไปสู่พระนิพพานดีไม่ดีอาจจะถึงนิพพานในชาตินี้ทัญญาณบอกหมเวลาหมดแล้วนิมิรดาแทนพุทธบริษัทุกท่านก็ต้องขอลากร เพราะความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี